การเกิดดับของจิตปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่รู้ไปจุดติวิญญาณรู้จุดติปฏิสนธิจุดติคือเคลื่อนจากจุดนี้ปฏิสนธิคือมายึดเกิดขึ้นที่จุดนี้ตอนดับเรียกว่าจุดติตอนเกิดเรียกว่าปฏิสนธิ แม้แต่การเกิดหนึ่งหนึ่งก็เหมือนกันการเกิดขึ้นของอารมณ์จิตเป็นปฏิสนธิอารมณ์นี้ผ่านไปเป็นจุดติอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเป็นปฏิสนธิอันนี้คือการเกิดการตายในระยะสั้นๆจิตนึกถึงอารมณ์สิ่งนี้เกิดพอปล่อยวางอารมณ์นี้นึกถึงอารมณ์ใหม่ปฏิสนธิทีนี้พอทิ้งอารมณ์เก่าเนี่ยเป็นการจุดติ เคลื่อนจากอารมณ์นั้นแล้วมาก่ออารมณ์ใหม่ขึ้นมาการก่ออารมณ์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่าปฏิสนธิ